45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกวลมหาสังฆปรินายกนรกใหญ่ตามกติความคิดของอินเดียเก่าแก่ที่ติดมากล่าวว่า ลึกลงไปภายใต้แผ่นดินของจักรวาลโลกนี้เป็นที่ตั้งของนรกมากมายเป็นสถานที่ทรมานสัตว์ผู้ทำบาปต่างๆซึ่งไปบังเกิดรับการทรมานภายหลังจากที่ตายไปแล้วคำว่านรกแปลว่าเหวในภาษาบาลีมักเรียกว่านิระยะแปลว่าสถานที่ไม่มีความเจริญคือไม่มีสุขมีแต่ทุกข์ทรมาน คำว่านิรยยะหรือนรกใช่หมายถึงสถานที่ที่ทรมานสัตว์ทำบาปดังกล่าวเช่นเดียวกันนรกที่เป็นขุมใหญ่มีกล่าวไว้ในสังกิจจชาดกเป็นต้นว่ามีแปดคือ1สัญชีวะแปลว่าคืนชีวิตขึ้นเองคือสัตว์นรกในขุมนี้ถูกตัดเป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่แล้วก็กลับคืนชีวิตขึ้นมาเองอีก รับการทรมานอยู่ร่ำไปในคำพีมหายานของทิเบตแสดงว่านารกขุมนี้สำหรับบาป ท, ที่ทำฆาตกรรมตนเองทำฆาตกรรมผู้อื่นหมอที่ทอดทิ้งค่าคนไข้ของตนผู้จัดการทรัพย์มรดกที่คดโกงและผู้ปกครองที่โหดร้ายบียดบียนประชาชน 2. การสุดตะแปลว่าเส้นดําคือสัตว์นรกในขุมนี้ ถูกขีดเป็นเส้นดำที่ร่างกายเหมือนอย่างตีเส้นที่ต้นสุงเพื่อจะเลื้อยแล้วถูกผ่าด้วยขวานเป็นแเสียง16เสียงแต่ตามคำพีที่เบธกล่าวว่าถูกเลื่อยเรื่อยและกล่าวการลงโทษอีกอย่างหนึ่งคือลากลิ้นออกมาตอกและไถด้วยไถยเหล็กแหลมเป็นจักจักรสำหรับบาปที่พูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกันและเข้าไปยุ่งเกี่ยวขัดขวางกิจการของผู้อื่นและแสดงโดยทั่วไปว่า นรกขุมนี้สำหรับบาทที่แสดงความไม่นับถือลบปลูดูมินมารดาบิดาพระรัตนตรัยหรือพระาศาสนา 3. สังคาตะแปลว่ากระทบกันคือมีภูเขาเหล็กกราวละสองลูกจากทิศที่ตรงกันข้ามเลื่อยเข้ามากระทบกันเองบทสัต์นรกในระหว่างแหลกละเอียดจากสี่ทิศก็เป็นภูเขาสี่ลูก เลื่อนเข้ามากระทบ ก, กันตลอดเวลาในคำภีมหายานของทิเบตกล่าวว่าพวกเขามีศีรษะเป็นสัตว์หรือเป็นเหล็กใหญ่รูปเปียนหนังสือเลื่อนเข้ามาบทกระยี้สัตว์เช่นเดียวกันและกล่าวว่านารกขุมนี้สำหรับพวกพระคฤรืัดและคนที่ไม่เชื่อในศาสนาซึ่งลบหลู่ดูมินหรือทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของพระคมภีและสาหรับ พวกพระที่สะสมเงินเป็นก้อนซึ่งพวกตนไม่ได้ประกอบการงานและแสดงการทรมานอีกอย่างหนึ่งคือบทตําในครกเหล็กตีบนแท่งเหล็กสำหรับทรมานผู้ทํโจลกรรมผู้ที่มีสัาดานร้ายกาดด้วยความโกรธนิสยาโลภอยากได้ผู้ที่ใช้เครื่องช่างตวงวัดโกงและผู้ที่ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสัตว์ตายลงในถนนหนทางสาธารณะ 4. โรรุวแปลว่าร้องครวญครางคือมีเปลวไฟเข้าไปทางถวาวรทั้งก้าเผาไหม้ในสรีละจึงร้องครวญครางเพราะเปลวไฟหรือชะละโรรุวะบางพวกถูกหมอกวันด่างหรือกรดเข้าไปละลายสรีละจนละเอียดเหมือนแป้งจึงร้องครวญครางเพราะหมอกวันหรือถุมะโรรุวะในคำพี ท, ที่เบสกล่าวว่ากรอบน้าเหล็กแดง อันร้อนแรงทางปากผ่านลําคอลงไปสำหรับบาปที่กั้นปิดทางน้ำเพื่อประโยชน์ของตนแช่งด่าดินฟ้าอากาศทำลายพืชพันธุ์ธัญย า, ารให้เสียหาย 5. มหาโรรวาแปลว่าร้องครวนคลางมากคือเป็นที่ทุกทรมานยิ่งกว่าข้อสในคำพีที่เบตรกล่าวว่าสำหรับภูยราชนคนบาปหนา 6. ตาปณะนะ แปลว่าร้อนได้แก่ถูกให้นั่งเสียบตรึงไว้ด้วยเหลาเหล็กบนแผ่นดินเหล็กแดงลุกเป็นไฟร้อนแรงบางก็ถูกต้อนขึ้นไปบนภูเขาเหล็กแดงเป็นไฟลุกโพรง่งถูกลมพัดตกลงมาถูกเสียบด้วยวเหล้าเหล็กที่โพร่ขึ้นมาจากแผ่นดินเหล็กแดงในคมพทีที่เบรกล่าวว่าถูกขังอยู่ในห้องเหล็กแดงเป็นไฟร้อนแรงสําหรับบาป ท, ที่ปิ้งทอดหรือเสียบสัตว์ปิ้งเป็นอาหาร ปาตาปะนะแปลว่าร้อนสูงมากคือเป็นที่ทุกทรมานยิ่งกว่าข้อ6ในคำพีที่เบเกล่าวว่าถูกทิ่มแทงด้วยหอกสามง่ามล้มกลิ้งลงไปบนพื้นเหล็กแดงอันร้อนแรงสำหรับบาปที่ละทิ้งพระศาสนาหรือเลิกนับถือหรือปฏิเสธความจริงแปอวิจิแปลว่าไม่มีระหว่างคือไม่เว้นว่าง บางทีเรียกมหา อ, าววาอาเวจีแปลว่าอเวจีใหญ่ภาษาไทยมักเรียกว่าอาเวจีเปลวไฟนรกในนรกขุมนี้ลุกโพรงเต็มทั่วไปหมดไม่มีระหว่างหรือเว้นว่างสัต์นรกในขุมนี้ก็นั่นขนาดเหมือนยักทนานไม่มีระหว่างหรือเว้นว่างแต่ก็ไม่เบียดเสียดกันอย่างวัตถุต่างถูกไฟไหม้อยู่ในที่เฉพาะตนเฉพาะตน และความทุกข์ทรมานของสัตว์นรกในขุมนี้ก็บังเกิดขึ้นสืบเนื่องกันไปไม่มีระหว่างหรือเว้นว่างฉะนั้นจึงเรียกว่าอเวจิหรืออเวจีซึ่งมีคำแปลดังกล่าวในคำพีทางที่เบตรกล่าวว่าสำหรับบาป ท, ที่ถือว่าเป็นอุกฤษฎโทษ ต, ตามลัทธิลามะแต่ายเทรวาแสดงว่าสาหรับบาป ท, ที่เป็นอนันตริยกรรมนรกใหญ่ทั้งแขุมนี้ ในสังกิต จ, จะชาดกเป็นต้นเรียงอวีจิไว้หน้าตาปะนะัญะแต่ในที่อื่นเช่นในไตรภูมิพระร่วงแสดงอวีจิไว้เป็นที่สุดและกล่าวว่าอยู่ซ้อนไปตามลำดับสันชีวะอยู่เบื้องบนที่สุดและอยู่ใต้กันลงไปจนถึงอเวจีอยู่ใต้ที่สุดเครื่องทรมานในนรกใหญ่ทั้งแขุมดังกล่าวมีเหล็กเช่นพื้นแผ่นดินเหล็กและ เครื่องอาวุธเหล็กต่างๆมีไฟคือเหล็กนั่นแหละลุกเป็นไฟร้อนแรงมีวกเขาเหล็กที่กลิ้งมาบทและมีหมอกกวันชนิดเป็นกรดหรือด่างในนรกขุมที่หนึ่งและที่สองมีนายนิรยาบาลแปลว่าผู้รักษานรกไทยเราเรียกว่ายมบาลเป็นผู้ทำการทรมานสัตว์นรกแต่นรกขุมที่ลึกลงไปอีกกว่านั้นนอัตกถาสังกิจัชชาดกไม่ได้กล่าวถึงนายนิรยาบาล กล่าวถึงไฟเหล็กเช่นเครื่องอาวุธต่างๆเป็นต้นบังเกิดขึ้นทรมานสัตว์นรกเองนรกน้อยอันหนึ่งมีแสดงไว้ว่านารกใหญ่ทั้ง8ดขุมมีนรกเล็กเป็นบริวารในสี่ด้านด้านละสี่ขุมรวม16หขุมรวมนรกบริวารของนรกใหญ่ทั้ง8ดขุมได้128ขุมรวมนรกใหญ่อีก8ดขุม เป็น136กขุมนรกบริวารในไตรภูมิพระร่วงเรียกว่าฝูงนรกบ่าวในเนมิราชชาโดกกล่าวว่าพระมาตรีเทพสารถีนำพระเจ้าเนมิราชพระราชาครองนครมิถิลาในแคว้นวิเทหารัฐไปเที่ยวดูนรกบริวาร16หขุมซึ่งอยู่ล้อมรอบสันชีวนรกอันเป็นนรกใหญ่ขุมที่หนึ่งมีชื่อดังต่อไปนี้หนึ่ง เวตาลนนรกแปลว่านรกแม่น้ำเวตารนีแปลว่าข้ามยากคือเป็นแม่น้ำด่างที่ร้อนเดือดพร่าเรียกว่าเวตาลนีบัวและสิ่งต่างๆในแม่น้ำนั้นเป็นอาวุธทั้งสิ้นนายนิรยาบาลตกเบ็ดสันรกอีกด้วยสาหรับบาปที่ประกอบก ร, รมหยาบช้าเบียดเบียนผู้ที่อ่อนกาลังกว่า 2. งสุนัขขานรกแปลว่านรกสุนัข คือมีฝูงสุนัขขาวแดงดำเหลืองและฝูงแรงกากรุ่มรุมกัดตีจิตทรมาสนสำหรั บ, บา ท, ที่กล่าวคำร้ายด่าว่าสมณภพรามณ์และท่านผู้มีคุณ 3. ส, สัญโชตินรกแปลว่านรกไฟโพรงคือสัตว์นรกในขุมนี้มีสรีระลุกเป็นไฟโพรงแผดเผาทั้งถูกทรมานต่างๆสำหรั บ, บา ท, ที่ประกอบกรำหยาบช้าเบียดเบียนมรุสตรี ที่เป็นคนดีมีศีลธรรมไม่มีความผิด 4. อังคารกาสุนรกแปลว่านรกหลุมฐานเพลิงคือตกลงไปไม้ทรมารในหลุมฐานเพลิงสําหรับบาป ท, ที่ช่อโกงเบียดเบียนถือเอาทรัพย์ที่เขาบริจาคเพื่อการกุศลหรือชักชวนให้เขาบริจาคอ้างว่าเพื่อการกุศลได้ทรัพย์มาแล้วถือเอาเสียเองและสําหรับบาป ท, ที่เป็นหนี้ทรัพย์ผู้อื่นแล้วโกงหนี้นั้น 5. โลหกุมพีนรกแปลว่านรกหม้อโลหะไทยเราเรียกว่านรกหม้อทองแดงเป็นที่ตกลงไปไม้ทรมานสำหรับบาป ท, ที่ทุบตีบีดเบียนสมณพราหมณ์ผู้มีศีล 6. คิวลุนจะนรกแปลว่านรกที่ดึงคอให้หลุดคือถูกเอาเชือกพันคอดึงจุ่มลงไปในน้ำร้อนในหม้อทองแดงให้คอหลุดทรมาน สำหรับบาปที่ประกอบกรรมหยาบช้าเบียดเบียนทำลายหมู่เนื้อนกหรือนรกขุมนี้ในไตรภูมิพ ร, ร่วงเรียดโลหะกุมพีเหมือนกันเจ็ดทุตสปลาสะนรกแปลว่านารกข้าวรีบและแกลบคือสัตว์นรกขุมนี้ลงไปวักน้ำในแม่น้ำนรกดื่มด้วยความกระหายน้ำที่ดิมเข้าไปนั้นก็กลายเป็นข้าวรีบและแกลบไฟม้ร่างกายทั้งหมดเป็นการทรมาน สำหรับบาปที่เอาข้าวรีบแกลบหรือฟางปนข้าวเปลือกลวงขายว่าข้าวดีหรือเอาข้าวสารไม่ดีปนข้าวดีลวงขายว่าข้าวดีก็น่าจะอยู่ในนรกขุมนี้ 8. สัสติหัตตสยานรกแปลว่านรกที่แทงด้วยหอกจนล้มลงคือสัตว์นรกในขุมนี้ถูกแทงด้วยอาวุธต่างๆจนตัวพุนอย่างใบไม้เก่าสำหรับบาปที่ประกอบกรรมไม่ชอบเลี้ยงชีวิตด้วยอัติาทานต่างๆ มีปล้นสะดมขโมยช่อโกงทุจริตเบียดบังเป็นต้นเก้าวิลกาตานรกแปลว่านรกแกล้เนื้อคือแกล้เนื้อสัตว์นรกออกเป็นชิ้นๆสำหรับบาป ท, ที่ประกอบก ร, รมหยาบช้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสิบปุราณะมีรหันรกแปลว่านรกมูดคูดหรือนรกอาจมเก่า คือสัตว์นรกในขุมนี้กินอาจมเก่าที่เหม็นนักหนาและลุกเป็นควันหรือเป็นไฟร้อนแรงสำหรับบาปที่ปทุสร้ายเบียดเบียนมิ ส, สหายหรืออาศัยกินข้าวเขาแล้วยังขู่เอาทรัพย์ของเขาหรือเจ้าหน้าที่ผู้ขูดรีด 11. อโลหิตปุพหนรกแปลว่านรกน้ำเลือดน้ำหนองคือสัตว์นรกในขุมนี้อยู่ในแม่น้าแห่งเลือดและหนองหิวกระหาย กินน้ำเลือดน้ำหนองซึ่งร้อนเป็นไฟเข้าไปลวกไหม้ทรมานสำหรับบาป ท, ที่ทำร้ายมารดาบิดาและท่านที่มีคุณควนกราบไหว้บูชาทั้งหลาย 12. องายะภลิสานรกแปลว่านรกเบ็ดเหล็กหรือเรียกว่าโลหภลิสานรกคือสัตว์นรกในขุมนี้ถูกเบ็ดเหล็กร้อนแดงเกี่ยวลิ้นลากออกมาให้ล้มไปทรมานบนพื้นเหล็กแดงร้อนแรง สำหรับบาปที่กดราคาของซื้อโกงราคาของขายเกินควรและใช้วิธีช่างตวงวัดคดโกงในโลบเจตนา 13. อุดทางปาทนรกแปลว่านรกที่จับเท้ายกขึ้นเบื้องบนทิ้งลงไปให้จมฝังลงไปแค่เสเอลแล้วยังมีภูเขากลิ้งจากที่ทั้งสี่มาบททรมานเป็นนรกสำหรับสตรีที่นอกใจสามีเป็นชู้ด้วยชายอื่นหรือนรกแยกเพศเฉพาะหญิง 14. อวังเสียรานรกแปลว่านรกที่จับศรีรษะห้อยลงเบื้องต่ำทิ้งลงไปให้ไม้ทรมานเช่นเดียวกันเป็นนรกสำหรับบุรุษที่เป็นชู้ด้วยพัญญาของคนอื่นหรือนรกแยกเพศเฉพาะผู้ชาย 15. โลหสิมะพรีนรกแปลว่านรกต้นงิ้วเหล็กคือสัตว์นรกในขุมนี้ต้องปีนต้นงิ้วเหล็กมีน้นาเหล็กแหลมแดงเป็นเปลวไฟร้อนแรง สำหรับบาปปิดศีลข้อที่สามทั้งชายและหญิงหรือนรกสหเพศหรือสหนรก16ปัจจนานรกแปลว่านรกหมกไหมหรือเรียกว่ามิจฉาทิฏฐินรกคือสัตว์นรกในกลุ่มนี้ต้องถูกหมกไหม้และถูกทิ่มแทงทรมานสำหรับบาปที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดว่าผลทานผลศีลไม่มีผลกรรมดีกรรมชั่วไม่มี คุณมานาบิดาไม่มีคุณสมณพราหมณ์ไม่มีเป็นต้นนรก16หขุมนี้มีในไตรภูมิพระร่วงส่วนในเนมิราชชาดกมีเพียงส5้าขุมเว้นนรกสหเพศขุมที่15ขาดไปก็ดูไม่เป็นไรเพราะมีนรกแยกเพศอยู่แล้วจึงยังมีที่สำหรับผู้ที่ผิดศีลข้อสามไปได้อยู่เป็นแต่ต้องแยกกันอยู่คนละแห่งนรกทั้ง16ขุมนี้ท่านว่ายัดเยียดเบียดเสียดเต็มไปด้วยสัตว์นรก จึงเรียกว่าอุสถะนรกแปลว่านรกยัดเยียดเบียดเสียดเป็นนรกบริวารซึ่งอยู่สีด้านของสัญชีวนรกซึ่งเป็นนรกใหญ่ขุมที่หนึ่งมีนายนิรยาบาลเป็นผู้ทําหน้าที่ทรมานประจําอยู่ทุกขุมเป็นจําพวกนรกร้อนเช่นเดียวกันส่วนนรกบริวารของนรกใหญ่อีกเจ็ดขุมยังไม่พบแสดงไว้นอกจากนี้ยังกล่าวว่ามี น, านรกอนุบริวารถัดออกไป อยู่รอบนอกของนรกบริวารทั้ง16นั้นอีกมากมายและเป็นธรรมดาของสัตว์นรกทั้งปวงที่ถูกทรมานอยู่ในนรกจะไม่ตายรับการทรมานต่อไปจนกว่าจะสิ้นกรรมดังคําที่เรียกว่าสันชีวะแต่พระอาจารย์อธิบายว่าตายแล้วเป็นขึ้นอีกทันทีส่วนชั้นมาลีว่าไม่ตายจนกว่าจะสิ้นกรรมอันหนึ่งในที่อื่นจากที่อ้างและนำมาก่าวแล้ว ได้มีแสดงถึงวิธีนำตัวคนบาปไปสู่การพิจารณาของยมราชหรือพยายมแล้วถูกนำตัวไปสู่นรกพันธนานรกเพี้ยนกันไปเช่นในเทวทูตสูตรเล่าไว้โดยความว่าสัตว์หรือคนผู้ประกอบด้วยทุติยทางกายวาจาและใจติเตียนด่าว่าคนดีประเสริฐเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือกรรมของคนมิจฉาทิฏฐิร่างกายแตกสลายตายลง นนิรยาบาลจับไปแสดงแก่ยมราชขอให้ลงโทษโยมราชสักถามว่าเคยเห็นเทวทูตห้าคือเด็กแรกคลอดคนแก่คนเจ็บคนถูกราชทั์คนตายบ้างหรือไม่เมื่อผู้นั้นตอบว่าเคยเห็นก็ซักต่อไปว่าได้เคยคิดบ้างหรือไม่ว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดา ผู้ทำกรรมชั่วก็จะต้องถูกลงราชัรร์ต่างๆในปัจจุบันแต่เรามีความตายเป็นธรรมดาเอาละเราจะทำกรรมที่ดีงามทางกายวาจาใจต่อไปเมื่อผู้นั้นกล่าวว่าไม่ได้คิดมัวประมาทไปเสียยมราช จ, จึงกล่าวว่าเจ้ามีความประมาทจึงไม่ทำกรรมงามทางกายวาจาใจก็จะทำเจ้าให้สาสมกับที่ประมาทไปแล้ว บาปกรรมนั้นมารดาบิดาเป็นต้นไม่ได้ทำให้เจ้าเจ้าทำเองก็จากสวยวิบาของกรรมนั่นเองเมื่อยมาราชว่าดังนี้แล้วก็นิ่งอยู่นายในริยาบาลทั้งหลายทำกรรมกรมีพันธะหรือการผูกตรึงหรือจองจาห้าอย่างได้แก่ตรึงนุ่นเหล็กอันร้อนที่มือสองข้างที่เท้าสองข้างและที่กลางอกเขาสวยเวทนาเผดร้อน แต่ก็ไม่ทำการกิริยาจนกว่าบาปกรรมนั้นจะสิ้นไปต่อจากนี้แสดงวิธีทรมานที่ยิ่งขึ้นไปคือ 1. นายนิรยาบาลถากด้วยผึ่ง 2. จับตัวให้หัวห้อยเท้าชีฟ้าถากด้วยพระา 3. เอาตัวเทียมรถให้วิ่งไปวิ่งมาบนพื้นอันร้อนชน 4. ให้ขึ้นภูเขาฐานเพลิงอันร้อนชน 5. จับตัวเอาหัวห้อยเท้าชีฟ้า ทิ้งลงในโลหะกุมภีหรือหม้อเหล็กอันร้อนโชนถูกเคี่ยวอยู่ในนั้นพุดเป็นฟองผุดขึ้นข้างบนบ้างจมลงข้างล่างบ้างรีลีของขวางบ้างแต่ก็ไม่ตายต่อจากนี้แสดงถึงมหานิรยะว่านายนริยาบาลใส่ลงไปในมหานิรยะหรือนรกใหญ่พระอาจารย์อธิบายว่าได้แก่อเวจีนรกซึ่งเป็นนรกใหญ่ขุมที่แปดที่กล่าวมาแล้วนรกใหญ่นั้น มีสันฐานเป็นสี่เหลี่ยมมีสี่ประตูด้านละหนึ่งประตูภายในจัดเป็นส่วนๆมีกำแพงเหล็กล้อมครอบข้างบนด้วยเหล็กพื้นเป็นเหล็กร้อนโฉนเป็นเปลวแผ่ไปถึงร้อยโยอดเดืรอบเปลวไฟเกิดจากฝาทั้งสี่ทิศพุ่งไปกระทบฝาด้านตรงกันข้ามสัตว์นรกถูกเผาไหม้ดังนั้นก็ไม่ตายบางคราวเห็นประตูด้านใดด้านหนึ่งเปิดวิ่งไปเพื่อจะหนีผิวหนังเนื้อเอนไหม้กระดูกร้อนเป็นขวัน ไปยังไม่ทันถึงประตูก็ปิดเสียโปรดติดตามรับฟัง 45,000 สาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญายกได้ใหม่ในตอนต่อไป